ถึงปฏิสนธิและกรรมที่จำแนกออกเป็นสีหมวดกระจายออกเป็นส2บสองบัดนี้จะได้กล่าวถึงจุติจิตคือจิตที่เคลื่อนออกจากภพนี้สือต่อไปท่านแสดงว่ามรณะคือความตายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งสิ้นอายุสองสิ้นกรรม 3. าสิ้นทั้งสองส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 ก็อาจลงความเห็นได้ว่าถึงคราวที่เข้าสิ้นอายุอีกอย่างหนึ่งโดยปกติกำหนดอายุของบุคคลเรียกว่าอายุกับปะกำหนดอายุเช่นมีกำหนด80ปีหรือว่าร้อยปีตามเกณฑ์ที่เป็นไปโดยมากเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้า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 บางทีก็ใช้เวลานา น, านปีบางทีก็ถึงสิบปีเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงจะไม่สร้างโบสถ์ก็ต้องตายแน่เหมือนกันเพราะนานปีแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้เห็นกันหลายหลายรายเข้าก็เลยมักจะถือว่าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็อายุสัน้นส่วนที่ตายเพราะอุปเฉษฐกรรมกรรมที่ตัดรอนนั้นยกตัวอย่างก็เช่น ประสบอุปตะวะเหตุหรือว่าถูกฆาตกรรมซึ่งโดยปกติอายุก็จะดำเนินต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อมามีเหตุตัดร่อนให้สิ้นชีวิตลงโดยปัจจุบันทันด่วนนี้ก็จัดเป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่สี่ท่านได้แสดงถึงจิตและอารมณ์ของจิตในขณะที่จะตายไปว่าในเวลาที่บุคคลกาลังจะตายนั้น กรรมที่จะให้เกิดปฏิสนธิในภพอื่นหรือว่ากรรมนิมิตคือเครื่องอุปรกรณ์ต่างๆที่ได้เคยใช้มาเคยพบเคยเห็นมาในขณะที่ตนทํากรรมนั้นๆหรือว่าคตินิมิตคือคติที่ไปที่ตนจะต้องไปเสวยในภพที่จะเกิดขึ้นในลําดับก็จะปรากฏขึ้นในถวานทั้ง6ทวานใดทวานหนึ่งตามกําลังของกรรมต่อจากนั้นจิตสัมดาล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 ซึ่งตนได้เคยกระทำไว้แล้วก็จะปรากฏเหมือนอย่างเป็นกรรมที่ตนกําลังกระทำอยู่ในบัดนั้นในฝ่ายชั่วเจนได้ฆ่าได้ลักไวปาณาติบาตหรืออธินาทานก็จะปรากฏเหมือนกําลังกระทำอยู่ในเวลานั้นหรือว่าในฝ่ายดีทานศีลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ก็จะปรากฏคล้ายกับว่า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 เป็นอาธิพรหมจันทร์คือเป็นต้นพรหมจันทร์คือเป็นต้นความประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบมีข้อที่ควรสังเกตการใช้ศัพท์คืออารมณ์กับอารมณพันะคำว่าอารมณ์นี้เรียกตามศัพท์ว่าอารามณนะเขียนนอร์เนการัแต่ที่เขียนกันมักจะชอบใช้ยอยักษการั เป็นการเขียนไม่ถูกต้องใช้นอนเนรการันและมักแปลกันว่าสิ่งเป็นที่มายินดีโดยความนั้นหมายถึงเรื่องที่จิตคิดหรือเรื่องที่จิตดําริเรื่องที่จิตครุ่นถึงเมื่อจิตคิดถึงเรื่องรูปก็เรียกว่ารูปอารมณ์อารมณ์คือรูปเมื่อจิตคิดถึงเรื่องเสียงก็เรียกว่าสัทธารม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 แต่ถ้าเรียกอญญายตนะภายในว่าทวารเช่นจักกุทวารโสตทวา น, วานก็เรียกอญญายตนะภายนอกว่าอารมณ์เช่นรูปารมณ์สรัทธารมณ์เป็นคู่กันแต่ว่าในอภิธรรมมักใช้เรียกว่าอารมพนะแปลว่าที่น่วงหรือเครื่องน่วงหมายถึงเป็นที่น่วงของจิตหรือเป็นเครื่องน่วงของจิต เมื่อจิตน่วงอยู่ในรูปก็เรียกว่ารูปอารัมพนะเมื่อน่วงอยู่ในเสียงก็เรียกว่าศัท ธ, ธาอารัมพนะโดยความก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าใช้สั์ขึ้นใหม่อีกศับหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือคำว่าจุติปฏิสนธิกับชาติมรณะจุติเคลื่อนปฏิสนธิสืบต่อใช้ในคมพีนี้จุติจิต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 จติคือเคลื่อนก็เป็นคำเดียวกันกับคำคู่ต้นอุ ป, ปัตแปลว่าเข้าถึงใช้แทนคำว่าปฏิสนธิความเป็นธรรมนองเดียวกันดังในจตูปปาตยานของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงว่าทรงได้ในยามที่สองของราตรีได้ทรงมีพระยานอย่างรู้จติและอุ ป, ปัตของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกัน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 สมาทานกรรมของสมาธิทฐิกายแตกสลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในพระบาลีนี้ใช้คำว่าสัตว์ที่แปลว่าผู้คลองคลองอยู่ด้วยอวิชชาความไม่รู้จริงตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นแต่ว่าที่ชื่อวัฏสัตว์นั้นอยู่ตรงไหน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 และเมื่อได้ค้างปัญหาไวเช่นนี้ผู้คิดในรุ่น ต, ต่อมาจึงได้แสดงออกไปต่างๆเรียกกันว่าวิญญาณบ้างเรียกกันว่าจิตบ้างในอภิธรรมนี้ก็เป็นมติหนึ่งที่ท่านแสดงว่าปฏิสนธิจิตในภพใหม่นั้นเกิดต่อกันไปทีเดียวแต่ว่าผวังกจิตที่เป็นตัวจิตยืนพื้นนั้นขาดกระแสกันไปเสียตอนหนึ่งถ้าเหมือนอย่างกลุ่มได้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 รูปนั้นแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่คือหนึ่งมหาภูตารูปแปลว่ารูปที่เป็นภูตะใหญ่ 2. อ, อุปาทยารูปแปลว่ารูปอาศัยรูปที่เป็นภูตะใหญ่อันเรียกว่ามหาภูตารูปนั้นได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งอาโปธาตุธาตุน้ำ ได้แก่ส่วนที่เอิบอาบเตโชาธาตธาตุไฟได้แก่ส่วนที่อบอุ่นวายโยธาตธาตุลมได้แก่ส่วนที่พัดไหวหมายถึงรูปที่มีลักษณะดังกล่าวอันเป็นที่รวมของรูปที่มีลักษณะอาการต่างๆอุปาทยรูปแปลว่ารูปอาศัยก็หมายถึงอาศัยอยู่กับมหาภูตรูปนั้นแบ่งย่อยออกไปเป็นหมวดๆคือ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 แปลว่าในตาภาษาทรูปจึงมีอีกส่วนหนึ่งโคจะระรูปรูปจะเป็นโคจรคือเป็นที่เที่ยวไปของจิตหมายถึงอารมณ์ของจิตคำว่าโคจรนั้นแปลตามศัพท์ว่าที่เที่ยวไปของโคธรรมดาว่าโคย่อมจะเที่ยวไปในที่ที่มีหญ้าเขียวสดที่จะเป็นอาหารแห่งตน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 กลิ่นที่จมูกได้รับรสรสที่ลิ้นไดลิ้มและโพทภะสิ่งที่กายถูกต้องอันโภทพะคือสิ่งที่กายได้ถูกต้องนั้นถ้าเต็มที่ก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเพราะเป็นสิ่งที่กายถูกต้องได้ทั้งนั้นแต่ท่านนับเอาสามข้อเว้นแต่น้ําเพราะว่าน้ํานั้น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 รูปที่เป็นภาวะมีสองคือภาวะเป็นหญิงและภาวะเป็นชายภาวะเป็นหญิงนั้นก็ได้แก่รูปที่มีลักษณะอันกําหนดได้ว่าเป็นหญิงโพลิสภาวะภาวะเป็นชายนั้นได้แก่รูปที่ลักษณะอันจะพึงกําหนดได้ว่าเป็นชายหะไทยรูปรูปหัวใจ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 ภาษาทรูปหโอจระรูปสภาวะรูปสองหัยะรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งกับมหาภูตะรูปอีกสี่ก็รวมเป็น18รูปทั้ง18นี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเช่นเรียกว่าสภาวะรูปรูปที่มีภาวะของตนอย่างเช่นจากสุประสาสตร์ โสตประสาทก็มีภาวะของตนเองเรียกว่าลักษณะรูปแปลว่ารูปที่มีลักษณะของตนมีอธิบายเช่นเดียวกับสภาวะรูปเรียกว่านิปรัพย์ น, นรูปแปลว่ารูปสำเร็จคือเป็นรูปที่สำเร็จรูปมาแล้วอย่างจักสุ ป, ประสาทโสตประสาทนั้นก็มีรูปสำเร็จของตนเองมาแล้ว อันหนึ่งท่านยังแสดงปาทยารูปรูปอาศัยว่าอีกหลายอย่างคือปา ร, ริเชทรูปแปลว่ารูปเป็นที่กำหนดหมายถึงอากาศาธาตุคือธาตุอากาศในร่างกายนี้หมายถึงช่องว่างในร่างกายนี้อธิบายว่าในร่างกายอันนี้อวัยวะต่างๆอยู่ตามที่แห่งตนไม่ปะปนกันเช่นจักรุทั้งสองก็อยู่ตามที่ของตน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 ก็จะเล็กลงเพียงนิดเดียวเท่านั้นความคิดของบางท่านในปัจจุบันนี้ก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าในที่นี้ท่านแสดงว่าปริเชทรูปรูปเป็นเครื่องกำหนดเขตแดนได้แก่อากาศธาตุวินยติรูปรูปคือวินยติแปลว่าเป็นเหตุที่รู้กันมีสองคือกายวินยติกิริยาที่ให้รู้กันทางกาย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 คนอื่นเขาจึงเห็นกายคือเห็นกายที่แสดงกิริยาทางกายเห็นกายที่แสดงกิริยาพูดมุ่งถึงรูปที่ต้องแสดงกิริยาดังกล่าวนั้นเรียกว่าวิญญตตรูปวิการะรูปรูปที่วิการคือว่าแปรเปลี่ยนไปคือหมายความว่าเป็นรูปที่มีลักษณะอาการต่า ง, า ง, างได้แก่รูปปัสสัตถะหูตา ความเบาแห่งรูปหมายถึงว่ารูปของคนเป็นนี่เบาแต่ว่าถ้าเป็นรูปของคนตายก็หนักรูปปัสสัมมุทุตาความอ่อนของรูปก็หมายถึงรูปของคนเป็นที่มีอาการอ่อนสลวยอย่างจะคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกก็เคลื่อนไหวได้โดยสะดวกรูปปัจสะกรรมัญญาตาความควรแกการงานแห่งรูป ก็หมายถึงรูปของคนเป็นที่ทำการงานอะไรได้โดยปกติและวิญญาตทั้งสองนังกล่าวมานั้นแต่ว่าวิญญาตทั้งสองได้กล่าวแยกประเภทไว้แล้วจึงนับวิการารูปเพียงสามนอกจากนั้นลักษณะรูปรูปที่มีลักษณะเป็นเครื่องกำหนดได้แก่รูปปัศกุปปัจโยความสังสมแห่งรูป หมายถึงความเกิดขึ้นและเติบโตมาโดยลาดับรูปปัสสะสัน ต, ติความสื่อต่อแห่งรูปหมายถึงรูปที่สื่อต่อกันมาโดยลาดับรูปปัสสะชระตาความชาราแห่งรูปได้แก่ความเปลี่ยนแปลงชำรดสุดโสมมาโดยลาดับรูปปัสสะอนิจจตาความไม่เที่ยงแห่งรูปหมายถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยงสุดท้ายก็คือความตาย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 วิการรูปสามลักษณะรูปอีกสี่จึงรวมรูปทั้งหมดเป็น28รูปทั้งปวงนี้ก็เป็นมหาพูทธ ร, รูปสี่อุปาทยรูป24ในรูปเหล่านี้มีข้อที่ควกรกาหนดไว้คือปริชเฉทรูปอันหมายถึงอากาศนั้นก็ไม่จะเป็นรูปแท้เพราะว่าเป็นช่องว่าง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 คันทะกลิ่นหนึ่งรสสัรสหนึ่งโอชาได้แก่โอชาที่เกิดจากอาหารหนึ่งและมหาภูตา ร, รูปทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมทั้งแปดประการนี้เป็นรูปที่ไม่มีแยกกันรวมกันอยู่เสมอจึงเรียกว่าอาวินิพโพครูปแปลว่า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 เมื่อจิตได้ยึดน่วงอารมณ์แห่งกรรมกรรมอนิมิตคติอนิมิตดังกล่าวมาแล้วจุติจิตจิตที่เคลื่อนก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สิ้นพวังคจิตจึงขาดสายกันไปตอนหนึ่งปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตในพบใหม่ก็เกิดขึ้นสืบต่อไปคราวนี้ในช่องว่างระหว่างจุติจิตและปฏิสนธิจิตนั้น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 คือเป็นอันตระคือเป็นช่องว่างในระหว่างเรียกว่าอันตระภาวะภาวะที่มีอยู่ในระหว่างแห่งจุติจิตและปฏิสนธิจิตในพบใหม่เมื่อแสดงอย่างนี้<ม>ก็เป็นช่องให้ความสันนิษฐานแตกแยกออกไปเป็นต่างๆากันแต่ว่าวาทะตามวาทะต้นนั้นไม่ได้แสดงอันตระภาวะคือช่องว่างในระหว่างแสดงว่าต่อกันไปทีเดียว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 ขนาจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งมีบางกัมพีแสดงว่าเร็วมากด้วยแสดงว่าเวลาขนาดดีดนิ้วมือห น, หนึ่งก็ขนาดแสนโกฏขณะจิตว่าว่าอย่างนั้นและอายุของรูปธรรมสิเจ็ขณะจิตเท่ากับอายุของรูปธรรมหนึ่งนั้นรูปธรรมในที่นี้บางกัมพีแสดงว่าไม่ใช่หมายถึงรูปที่ตาเห็นแต่หมายถึง อุณหเตโชคือเตโชธาต์อันได้แก่ความร้อนหรือความอบอุ่นก็คล้ายๆกับเป็นพลังงานของรูปและในเรื่องที่เกี่ยวกับเตโชธาตุนี้ในคมภีอภิธรรมก็มีแสดงไว้คล้ายๆกับในปัจจุบันเหมนกันคือที่เรียกว่าหนาวนั้นท่านว่ามีเตโชธาตุน้อยเท่านั้นรูปยี่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้จัดปันประเภทอีกหลายอยา่างเช่นว่าจัดปันเป็นรูปหยาบเป็นสุกุมรูปรูปละเอียดประสาททั้งหกับโคจรคือวิสัยหรืออารมณ์ที่คู่กับภาษาทั้งหเรียกว่าเป็นรูปหยาบเช่นจักขคุปปศาสตรก็เป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้และรูปที่ตาเห็นก็เป็นของหยาบเพราะว่ามองเห็นได้จับต้องได้ หรือว่าอาจสัมผัสได้ส่วนรูปที่นอกจากสองโหมดนี้เรียกว่าเป็นสุขุมรูปรูปละเอียดเช่นชีวิตินซีอินซีคือชีวิตซึ่งนับว่าเป็นชีวิ ต, ตะรูปเป็นของละเอียดจับไม่ถูกว่าส่วนไหนมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่กับรูปทั้งปวงหรืออย่างกิริยา ที่ให้รู้ทางกายที่เรียกว่ากายวิญญาตกิริยาที่ใหรู้ทางวาจาเรียกว่าวจีวิญญาตที่จับเป็นรูปด้วยพระรูปแสดงอาการเช่นนั้นจะจับตัววิญญาตทั้งสองนี้โดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะว่าประกอบอยู่กับรูปอื่นนั่นเองรูปอื่นนั่นเองแสดงกิริยาและก็ตั้งชื่อเรียกขึ้นเป็นอีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า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 ก็เรียกว่าเป็นรูปที่รับอารมณ์แต่ว่านอกจากนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปที่ไม่รับอารมณ์รูปทั้งปวงเหล่านี้มีสมุทฐานที่เกิดได้แต่กรรมกิจฤดูและอาหารทั้งสี่นี้เรียกว่าเป็นรูปสมุทฐานแปลว่าเป็นที่เกิดหรือว่าเป็นที่ตั้งของรูป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 รูปที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกกันไม่ได้มีแดอย่างที่แสดงแล้วอันได้แก่วันณนะคือสีคันธกลิ่นระสะรโอชาของอาหารและภูตะทงสี4เป็น8อย่างกับอากาศธาตุที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสี่รวมกันส่วนลักษณะรูปรูจะเป็นเครื่องกำหนดหมายให้เห็นไตรลักษณ์ได้แก่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 พิจารณาดกูก็อาจจะเห็นได้ว่าที่เรียกว่าจักรสุประสาทนั้นก็จะต้องมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยจะต้องมีวันณนะมีคันทะมีรัศฐและมีโอชาคืออาหารประกอบอยู่ด้วยจะต้องมีภูตตาทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประกอบอยู่ด้วยและจะต้องมีตัวจักรกุประสาสต์คือตัวที่ทําให้มองเห็นประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกว่าจักรกุประสาสตร จึงไม่ใช่เป็นตัวประสาทนั้นเพียงอย่างเดียวที่ท่านจำแนกไว้ถึงสิบอย่างรูปอื่นๆก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่ามีจำแนกเอาไว้ถึงส่วนประกอบต่างๆน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างและรูปกะลาปะเหล่านี้ก็เกิดจากสมุดฐานทั้งสี่นั้นเช่นเดียวกันที่เกิดจากกรรมมีเก้ากะลาปะยกตัวอย่างเช่น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 ที่เกิดจากฤดูดังกล่าวมีสี่กลาปะเช่นได้แก่เสียงที่พูดเสียงที่พูดนั้นจะสําเร็จเป็นเสียงได้ก็ต้องประกอบด้วยอวินิโพคารูแปดแล้วก็ตัวเสียงรวมเป็น9เรียกว่าสัทธนวกะโหมด9รวมทั้งเสียงด้วยจะเกิดเป็นเสียงขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอุตุถ้าไม่มีอุตุก็เป็นเสียงขึ้นไม่ได้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 คูแขนเข้าเหยียดแขนออกเข้าได้สะดวกนี่ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งมีความคล่องแคล่วควรแก่การงานทำโน่นทำนี่ได้ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งแปดบวกสามก็เป็นสิจัดเป็นอีกหมวดหนึ่งเหล่านี้เกิดจากอาหารและบางอย่างก็เกิดจากสมุทฐานสองอย่างหรือหลายอย่างเพราะฉะนั้นรูปที่แบ่งไว้ในอภิธรรมนี้จึงละเอียดพิสดารเป็นการจำแนก ที่นา่าศึกษา